กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่งสถานีวิทยุครอบครัวกล่าว 9, สตอร์รอยเฟตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านผู้ฟังสัปดาห์หนึ่งหวันที่เราจะมาพบกันที่สถานีวิทยุแห่งนี้เรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะนํามาให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นก็จะมีหลากาหลายมุมเพื่อให้ความรู้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังมีความกว้างขวางพระพุทชาบุญดีก็ตรัส คำที่เป็นคำสั้นๆไว้ตรงนั้นตรงนี้ก็จะมีเรื่องราวที่เป็นการอธิบายคำนั้นว่ามีเนื้อหาเรื่องราวมาอย่างไรซึ่งในการอธิบายนี้ก็จะมีชั้นของข้อมูลที่ให้เราได้ศึกษากันบานดีตัวพระองค์เองก็อธิบายคำของพระองค์เองว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรอย่างไรหรือบางทีก็จะเป็นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหากระจายนะหรือท่านพระอานนุ์มาช่วยกันอธิบาย หรือแม้แต่เป็นพระเทระที่มาในยุคหลังๆ ห, หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วอันนี้ก็เป็นการทําหน้าที่ของภิกษุอยู่ละในการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธข้าพเจ้าก็จะนําเรื่องราวที่เป็นนิทานนำมาบททำฟังเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการฟังธรรมหมายทำให้ฝังได้ฟังกัน วันนี้ก็จะนำเรื่องของพระเรวัตะที่ท่านเป็นน้องชายของท่านพระสาริบุตรและในเรื่องนี้ก็ยังมีเกล็ดความรู้อะไรต่างๆที่เราให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระศีวุตด้วยนะว่าท่านทำบุญแล้วก็สร้างบาปมาอย่างไรอย่างไรทำไมพระพุทธเจ้าถึงยกย่องท่านว่าเป็นผู้ดีเลด้วยลาบเรื่องนี้ก็เป็นนิทานธรรมบทที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนประเรียนธรรม รันเรียนทำหนึ่งและสองประโยคอันนี้คนที่เรียนภาษาบาลีจะได้เคยอ่านเรื่องพวกนี้มาละเวลาในการที่จะเริ่มเรื่องพวกนี้ในนิทานต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะยกพุทธพจน์ขึ้นมาก่อนเลยยกพุทธพจน์ด้วยความกรุบขึ้นมาในการที่จะกล่าวดำเนินเรื่องไปว่านี้เริ่มต้นมาจากตรงนี้แล้วเรื่องราวเดิมเป็นอย่างไรเรามาฟังเรื่องของท่านพระเรวตะและท่านพระสิบลีกันธรรมบท แปลเรื่องพระคัติระวะนิยะเรวตะเถระภาคที่สเรื่องที่79พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารอพระเรวตะเถระผู้อยู่ป่าไม้สแกตรัระธรรมเทศนานิว่าพระอาราันทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านก็ตาม เป็นป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นผู้มิสถานน่ารื่นรมตอนพระสารีบุตรชวนพี่น้องบวชความพิสดารว่าท่านพระสารีบุตรสละทรัพย์87โกดบวชแล้วรักชวนน้องสาวสามคนคือนางจาลานางอุปาจารา นางสีสุ ป, ปจาราและน้องชายสองคนนี้คือจุนทะและอุปเสนะให้บวชแล้วเรวตตะกุมารผู้ดเดียวเท่านั้นยังเหลืออยู่แล้วในบ้านลําดับนั้นมารดาของท่านคิดว่าอุปติสะบุตรของเราละซับประมาณเท่านี้บวชแล้วยังชักชวนน้องสาวสามคนน้องชายสองคน ให้บวช ด, ด้วยเรวตะผู้เดียวเท่านั้นยังเหลืออยู่ถ้าเธอจากชักชวนเรวตะแม่นี้ให้บวชไซส์ทรัพย์ของเราประมาณเท่านี้จะชิพหายวงสกุลจะขาดศูนเราจะปูกเรวตะนั้นไว้ด้วยการอยู่กลองเรือนตั้งแต่ในการที่เขายังเป็นเด็กเติร์ดฝ่าพระสารีบุตรเดระสั่งภิกษุทั้งหลายไว้ก่อนทีเดียวว่าท่านผู้มีอายุ ถ้าเรวตะประสงค์จะบวชแล้วเดินทางมาใช้พวกท่านพึงให้เขาผู้มาดว่ามาถึงเท่านั้นบวชเพราะมารดาบิดาของผมเป็นมิจฉาทิฐิประโยชน์อะไรด้วยท่านทั้งสองนั้นอันเรวตะจะบอกลาเล่าผมเองเป็นมารดาและบิดาของเรวตะนั้นตอนมารดาบิดาให้เรวตะแต่งงาน แม้มารดาของพระสาริบุตรเทรานั้นประสงค์จะปลูกเรวตะกุมารผู้มีอายุเจ็ดขวบเท่านั้นด้วยเครื่องผูกคือเรือนจึงมั่นเด็กหญิงในตระกูลที่มีชาติเสมอกันกกำหนดวันแล้วประดับตกแต่งกุมารแล้วได้พาไปสู่เรือนของญาติเด็กหญิงพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากลาดับนั้น เมื่อพวกญาติของเขาทั้งสองผู้ทำการมงคลประชุมกันแล้วพวกญาติให้เขาทั้งสองจุมมือลงในถาดน้ำแล้วกล่าวมงคลทั้งหลายหวังความเจริญแก่เด็กหญิงจึงกล่าวว่าขอเจ้าจงเห็นธรรมอันยายของเจ้าเห็นแล้วเจ้าจงเป็นอยู่สิ้นกลาลนานเหมือนยายนะแม่เรวตะ กมาได้ยินดังนั้นคิดว่าอะไรหนอแลชื่อว่าทำอันญายนี้เห็นแล้วจึงถามว่าคนไหนเป็นยายของหญิงนั้นลำดับนั้นพวกญาติบอกกับเขาว่าพ่อคนนี้มีอายุราวยี่สิบปีมีฟันหลุดผมหงอกหนังหดเหี่ยวตัวตกกระหลังโกงดุดกรอนเรือนเจ้าไม่เห็นหรือ นั่นเป็นยายของเด็กหญิงนั้นเรวตะก็แม้เด็กหญิงนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือพวกญาติถ้าเขาจับเป็นอยู่ไซก็จะเป็นอย่างนั้นแหละพ่อตอนเรวตะคิดหาอุบายออกบวชเรวตะนั้นคิดว่าชื่อว่าศรีระแม้เห็นป่านนี้จะถึงประการแปลกนี้เพราะความแก่ อุปัติศาส พ, พี่ชายของเราจะเห็นเหตุนี้แล้วควรที่เราจะหนีไปบวชเสียในวันนี้แหละที่นั้นพวกญาติอุ้มเขาขึ้นสู่ยานอันเดียวกันกับเด็กหญิงผ้าหล็กไปแล้วเขาไปได้หน่อยหนึ่งอ้างการตายอุจจระพูดขึ้นว่าท่า น, นทั้งหลายจงหยุดยานก่อนเถิดฉันลงไปแล้วจะมาเด็กนี้แล้ว ก็ลงจากยานทำชักช้าหน่อยหนึ่งที่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งแล้วจึงได้ไปเขาไปได้หน่อยหนึ่งลงไปด้วยการอ้างนั้นนั่นแหละแม้อีกขึ้นแล้วก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันอีกลําดับนั้นพวกญาติของเขากำหนดว่าเรวตานี้มันไปแท้มันไปแท้จึงไม่ได้ทำการรักษาอย่างเข้มแข็ง เอาไปได้หน่อยหนึ่งก็ลงไปด้วยการอ้างนั้นนั่นแลแม้อีกแล้วพูดว่าพวกท่านจงขับไปข้างหน้าฉันจะค่อยๆเดินมาข้างหลังจึงลงไปแล้วได้ายหน้าตรงไปยังผู้หมายตอนเรวตะได้บรระชาแม้พวกญาติของเขาได้ขับยานไปด้วยสำคัญว่า เรวัตจะมาข้างหลังเรวัตนั้นหนีไปจากที่นั่นแล้วไปยังสำนักของพิสุประมาณสามสิบรูปซึ่งอยู่ในท้องถิ่นแห่งหนึ่งว่ายแล้วเรียนพวกพิษุนว่าท่านขอรักขอท่านทั้งหลายจงให้กระผมบวชเธอพวกพิษุท่านผู้มีอายุเธอพระสัตปดาด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์อย่างนี้ พวกข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเธอเป็นพระราชโอรสเป็นบุตรของอมาตะจะให้เธอบวชได้อย่างไรเรวตะพวกท่านไม่รู้จักกระผมหรือครับพวกภิกษุไม่รู้จักหลอกผู้มีอายุเรวตะกระผมเป็นน้องชายของอุปติสะพวกภิกษุชื่อว่าอุปติสะนั้นคือใครเรวตถะท่านผู้เจริญทั้งหลาย เรียกพี่ชายของกระผมว่าสารีบุตรเพราะฉะนั้นเมื่อกระผมเรียนว่าอุปติสสะท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่ทราบรพวกภิกษุก็เติ่อเป็นน้องชายของพระสารีบุตรเทราหหรอกหรืออย่างนั้นกขครับภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นมาเถิดพี่ชายของเธออนุญาตไว้แล้วเหมือนกันดังนี้แล้วก็ให้เปลืองเครื่องอาปอนของเขา ออกให้วางไว้นะที่สุดแห่งหนึ่งให้เขาบวชแล้วจึงส่งข่าวไปแก่พระเทระพระเทระฟังข่าวนั้นแล้วจึงกราบตูนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าแค่แต่พงผู้เจริญภิกษุทั้ลายส่งข่าวมาว่าได้ยินว่าพวกภิกษุที่อยู่ป่าให้เรวัตาบวชข้าโปร่งไปเยี่ยมเธอแล้วจึงจะกลับมา พระศาสดาไม่ได้ทรงยอมให้ไปด้วยพระดารัสว่าสารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อนหลังจากนั้นโดยการล่วงไปสองถึงสามวันพระเถระก็ทูลลาพระศาสดาอีกพระศาสดาไม่ได้ทรงยอมให้ไปด้วยดารัสว่าสารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อนแม้เราก็จะไปตอน เรวตะสามเณรบรรลุพระอาหารหัสต์ฝ่ายสามเณรคิดว่าถ้าเราจะอยู่ที่นี่ไซ้พวกญาติจะให้คนติดตามเรียกเรากลับจึงได้เรียนกรรมฐานจนถึงพระอาหารหัตแต่สำนักของภิกษุเหล่านั้นถือบาละจีวรเที่ยวจะริกไปป่าไม้สแกในที่ประมาณ30โยน์แต่ที่นั้น ในระหว่างสามเดือนภายในปัญษานั่นแลบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายฝ่ายท่านพระสารีบุตรเทระเมื่อเปรวรรณาแล้วทูลาพระาศาสดาเพื่อต้องการไปในที่นั้นอีกพระาศาสดาตรัสว่าสารีบุตรแม้เราก็จะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมด้วยภิกษุห0 0รูป ก็ในเวลาเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งพระอนุนเดระยืนอยู่ที่ทางสองแง่งกรบทูนพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาทางที่ไปสู่สำนักของเรวตะทางนี้เป็นทางอ้อมประมาณ60โยตเป็นที่อยู่ของมนุษย์ทางนี้เป็นทางตรงประมาณ30โยตอันอับมนุษย์คุ้มครองพวกเราจะไปทางไหนพระเจาา พระศาสดาอานอนท์ก็สิวลีมากับพวกเรามิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระชกาา้านอานนท์ถ้าสิวลีมาเธอจงถือเอาทางตรงนั่นแหละตอนพวกพิสุอาศัยบุญของพระสิวลีเทระได้ยินว่าพระศาสดามิได้ตรัสว่าเราจะยังเข้าต้มและเข้าสวย ให้เกิดขึ้นแก่พวกเธอพวกเธอจงถือเอาทางตรงแต่ทรงทราบว่าที่นั่นเป็นที่ผลแห่งบุญแก่ชนเหล่านั้นเหล่านั้นจึงตรัสว่าถ้าศิวลีมาเธอจงถือเอาทางตรงก็เมื่อพระศาสดาทรงดำเนินไปทางนั้นพวกเทวดาคิดว่าพวกเราจะทำสาการะ แก่พระศิวลีเทระพระผู้เป็นเจ้าของเราให้สร้างวิหารในที่ยอดหนึ่งยอดหนึ่งไม่ให้เกินไปกว่ายอดหนึ่งเตียวดาหเหล่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าเตียวถือเอาวัตถุมีข้าวต้มเป็นต้นอันเป็นทิพย์แล้วเที่ยวไปด้วยตั้งใจว่าพระศิวลีเทระผู้เป็นเจ้าของเรานั่งอยู่ที่ไหน พระเถระให้เทวดาถวายพัดที่นำมาเพื่อตนแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระศาสดาพร้อมทั้งบริวารเสวยบุญของพระศิวลีเถระผู้เดียวได้เสด็จไปตลอดทางกันดาลประมาณ30โยชน์ฝ่ายพระเรวตะเถระซึ่งตอนนั้นเป็นสามเณร ทราบการเสด็จมาของพระศาสดาจึงนิรมิตพระคันธ ก, กุฎีเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้านิรมิตเรือนยอด500ที่จงกรม500และที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน500พระศาสดาประทับอยู่ในสนักของพระเรวตะเตระนั้นเสื้นการประมาณเดือนหนึ่งแหละแม้ประทับ อยู่ในที่นั้นก็เสวยบุญของพระศิวลีเทระนั่นเองก็บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุแก่สองรูปในเวลาพระาศาสดาเสด็จเข้าไปสู่ไม้สแกคิดแล้วอย่างนี้ว่าภิกษุนี้ทํานวกรรมคือการก่อสร้างประมาณเท่านี้อยู่จะอาจทำสมณธรรมได้อย่างไรพระาศาสดาทรงทํากิจ คือการเห็นแก่หน้าด้วยการทรงดำริว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรจึงเสด็จมาสู่สำนักของเธอผู้ประกอบอนวกรรมคือการงานก่อสร้างเห็นปานนี้ตอนพระาศาสดาทรงอธิษฐานให้ภิกษุนั้นลืมบริขารก็นในวันนั้นแม้พระาศาสดาทรงตรวจ ด, ดูสัตว์โลก ในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วได้ทรงทราบบาราจิตของภิกษุแก่สองรูปนั้นประเหตุ น, นั้นประทับอยู่ในที่นั้นเสี้นการประมาณเดือนหนึ่งแล้วในวันเสด็จออกไปทรงอธิษฐานโดยประการที่ภิกษุเหล่านั้นลืมหลอดน้ำมันและกะจันน้าและรองเท้าของตนไว พระผู้มีพระภาคได้เสด็จออกไปในเวลาเสด็จออกไปภายนอกแต่อุปจารวิหารจึงทรงคลายประฤิต์เพราะนั้นพิสุแกสองรูปนั้นกล่าวกันว่าผมลืมสิ่งนี้และสิ่งนี้แม้ผมก็ลืมเนืงนี้แล้วทั้งสองรูปจึงกลับไปกำหนดที่นั้นไม่ได้ถูกหนามไม้สแกแทง เที่ยวไปพบห่อสิ่งของของตนซึ่งห้อยอยู่ที่ต้นสแกต้นหนึ่งถือเอาแล้วก็หลีกไปแม้พระาศาสดาทรงพาภิกษุสงฆ์ไปสวยบุญของพระสิวลีเทระตลอดการประมาณเดือนหนึ่งนั่นแหละอีกสเสด็จไปสู่บุพารามลำดับนั้นภิกษุแกสองรูปนั้น ล้างหน้าแต่เช้าตรู่เดินไปด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคันตุกพัฏดื่มข้าวต้มแล้วชันของเคียวแล้วก็นั่งอยู่ตอนนางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของเรวตะลำดับนั้นนางวิสาขาถามพิกสุกแก่ทั้งสองรูปนั้นว่า ท่านผู้เจริญก็ท่านทั้งหลายได้ไปที่อยู่ของเรวตตเตระกับพระศาสดาอย่างนั้นหรือถูกแล้วอุบาสิกาท่านผู้เจริญก็ที่อยู่ของพระเตระน่ารื่นรมหรือไม่ที่อยู่ของพระเตระนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมแต่ที่ไหนอุบาสิกาที่นั้นรกด้วยไม้สแกมีน้นามขาวเป็นเช่นกับสถานที่อยู่ของพวกปเปรต ครันนั้นภิกษุหนุ่มสองรูปอีกพวกหนึ่งได้มาแล้วอุบาสิกาก็ได้ถวายข้าวต้มและของควรเกี่ยวทั้งหลายแม้แก่ภิกษุหนุ่มเหล่านั้นแล้วถามอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าอุบาสิกาพวกฉันไม่อาจพรรณนาได้เลยที่อยู่ของพระเทระเป็นเช่นกับเทวสภาชื่อสุธรรมา ตกแต่งขึ้นด้วยฤทธิ์คุบาสิกาจึงมีความคิดว่าก็ภิกษุพวกที่มาครั้งแรกกล่าวอย่างอื่นภิกษุพวกนี้กล่าวอย่างอื่นภิกษุพวกที่มาครั้งแรกลืมอะไรไว้เป็นแน่จะกลับไปในเวลาคลายฤทธิ์แล้วส่วนภิกษุพวกนี้จะไปในเวลาที่พระเถระตกแต่งเนรมิตสถานที่ด้วยฤทธิ์ และเพราะความที่นางวิสาขาเป็นบัณฑิตจึงทราบเนื้อความนั้นได้ยืนอยู่แล้วที่นั่นด้วยหวังว่าจะทูลถามในการที่พระาศาสดาเ ส, สด็จมาต่อการเพียงครู่เดียวแต่การนั้นพระาศาสดาอันภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปสู่เรือนของนางวิสาขาประทับนั่งเหนืออาสนะ อันเขาตกแต่งไว้แล้วนางจึงได้ถวายคืออังคาตภิกษุสงฆ์มีพระพุทธชาติเป็นประมุกโดยกรบในเวลาเสร็จพัตกิจถวายบังกมพระาศาสดาแล้วทูลถามเฉพาะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาภิกษุที่ไปกับพระองค์บางพวกกล่าวว่าที่อยู่ของพระเรวตาเทระเป็นป่ารก ด้วยไม้สแกบางพวกกล่าวว่าเป็นสถานที่รื่นรมก็ที่อยู่ของพระเถระนั้นเป็นอย่างไรน้อแลพระชก้าอุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือเป็นป่า ก, ก็ตามพระระหันต์ทั้งหลายย่อมอยู่ในที่ใดที่นั้นน่ารื่นรมแท้ดังนีน้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาตานิว่าข้าเมวายะทิวารันเยนินเนวายะทิวาทะเลยะทะอรหันโตวิหารันติตังภูมิรามะเนยะกังแปลว่าพระรานทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นป่าก็ตาม ที่รุมก็ตามที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานน่ารื่นรมตอนแก้อัดในพระคถานั้นมีความว่าพระอรันทั้งหลายย่อมไม่ได้กายวิเวกภายในบ้านก็จริงถึงดัง น, นั้นย่อมได้จิตตวิเวกอย่างแน่นอนพระอารมณ์ทั้งหลาย แม้เปรียบดังของทิพย์ย่อมไม่อาจทำจิตของพระรันเหล่านั้นให้หวันไหวได้ประเหตุนั้นจะเป็นบ้านหรือจะเป็นที่ใดที่หนึ่งมีป่าเป็นต้นพระรันทั้งหลายย่อมอยู่ในที่ใดคาว่าตังภูมิรามเนยกังแปลว่าที่นั้นเป็นภูมิสถาน ที่น่ารื่นรมหมายความว่าภูมิประเทศนั้นเป็นที่น่ารื่นรมโดยแต่ในเวลาจบเทศนาชนเป็นนั้นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิปลเป็นต้นแล้วตอนพวกภิกษุปรารบถึงความเป็นไปของพระสิวลีโดยสมัยอื่นอีกภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่า ท่าผู้มีอยุทั้งหลายเพราะเหตุอะไรน้อแลท่านพระศิวลีเทระจึงอยู่ในท้องมารดาตลอด7ปีเจเดือนเจวันเพราะกรรมอะไรจึงไม่แล้วในนรกเพราะกรรมอะไรจึงถึงความเป็นผู้มีลาบเลิศและมียศเลิศอย่างนั้นพระศัสดาทรงสดับต่ยกรรมนั้นแล้วตรัสถามว่าพิกษุททั้งหลาย พวกเธอกล่าวเรื่องอะไรกันก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นกลาบทูลเรื่องนั้นแล้วเมื่อจะตรัสบุรพกรรมของท่านพระสิวลีเทระจึงตรัสว่าตอนบุรพกรรมของพระสิวลีภิกษุทั้งหลายในกับที่9กแต่กับนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี ทรงอุบัติในโลกแล้วสมัยหนึ่งเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทกลับมาสู่นครของพระบิดาพระราชาทรงตรเตรียมอาคันตุกะตานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทรงส่งข่าวแก่ชาวเมืองว่าชนทั้งหลายจงมาเป็นสหายในทานของเราชวนเหล่านั้นทำอย่างนั้นแล้ว มีความคิดว่าพวกเราจะถวายทานให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาถวายแล้วจึงทูล น, นิมนต์พระศาสดาในวันรุ่งขึ้นได้ตกแต่งทานของตนแล้วก็ส่งข่าวไปทูลแด่พระราชาพระราชาเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นทานของชนเหล่านั้นแล้วมีความดำริว่าเราจะถวายทานให้ยิ่งกว่าทานของพวกชาวเมืองนี้ ก็ในวันรุ่งขึ้นพระราชาจึงได้นิมนต์พระศาสดาแล้วพระราชาไม่ทรงสามารถจะให้ชาวเมืองแพ้ได้เลยถึงชาวเมืองก็ไม่สามารถจะให้พระราชาแพ้ได้ในครั้งที่ 6, ชาวเมืองคิดว่าบัดนี้พวกเราจะถวายทานในวันพรุ่งนี้โดยประการที่ใครๆไม่อาจพูดได้ว่าวัตถุชื่อ น, นี้ไม่มี ในทานของชนเหล่านี้ดังนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นจะแจ้งของถวายเสร็จแล้วโปรดดูว่าอะไรยังไม่ได้มีในทานกองนี้ไม่ได้เห็นน้ำพึ่งดิบเลยส่วนน้ำพึ่งสุกนั้นมีอยู่มากชนเหล่านั้นให้คนถือเอาซับสี่พันแล้วทรงไปในประตูแห่งพระนครทั้งสีเพื่อต้องการน้ำพึ่งดิบ ครั้นั้นคนบ้านนอกคนหนึ่งมาเพื่อจะเยี่ยมนายบ้านเห็นรวงพึ่งในระหว่างทางไล่ตัวพึ่งให้บินหนีไปแล้วตัดกิ่งไม้ถือรวงพึ่งพร้อมทั้งคอนนั่นแลเข้าไปสู่พระนครด้วยตั้งใจว่าเราจะให้แก่นายบ้านบุรุษผู้ไปเพื่อต้องการน้ำพึ่งพบคนบ้านนอกนั้นแล้ว จึงถามบ่าท่านผู้เจริญน้ำพึ่งท่านขายหรือไม่ไม่ขายหรอกนายเชิญท่านรับเอากหาปณะ น, นี้แล้วจงให้รวงพึ่งนั้นแก่ฉันเถิดขุนบันดอกนั้นคิดว่ารวงพึ่งนี้ย่อมไม่ถึงค่าแม้สักว่าบาทหนึ่งแต่บุรษุษนี้ให้ซับกระหาปณะนหนึ่งเห็นจะเป็นผู้มีกหาปณะามากเราควรจะขึ้นราคา ลำแบบนั้นบุรุษบรร น, นอกนั้นจึงตอบกับบุรุษผู้หาน้ำพึ่งนั้นว่าฉันให้ไม่ได้ถ้ากระนั้นท่านจงรับเอาทรัพย์สองกหาพนะคุนบรร น, นอกแม้ด้วยทรัพย์2กหาพนะฉันก็ไม่ให้เขาขึ้นราคาด้วยอาการอย่างนั้นจนถึงบุรุษนั้นกล่าวว่าถ้ากระนั้น ท่านจงรับเอาทรัพย์พันกระหาปณะนี้หังนี้แล้วก็น้อมห่อพันทะเข้าไปที่นั่นคนบ้านนอกกล่าวกับบุตรนั้นว่าท่านบ้าหรือหนอแลท่านไม่ได้ที่เก็บกระหาปณะน้ำพึ่งไม่ถึงค่าแม้บาทหนึ่งท่านยังกล่าวว่ารับเอากระหาปณะพันหนึ่งแล้วจงให้โรงพึ่งแก่ฉันชื่อว่าเหตุอะไรกันนี่บุตรผู้นั้น ท่านผู้เจริญข้าพเจ้ารู้ก็การงานของข้าพเจ้าด้วยน้ำพึ่งนั้นมีอยู่เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงพูดอย่างนั้นคุณบนอกการงานอะไรอย่างนั้นหรือนายก็พวกข้าพเจ้าตระเตรียมมหาทานเพื่อพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีสมณะหล้านแปดแสนเป็นบริวาลในมหาทานนั้นยังไม่มีน้ำพึ่งดิบอย่างเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอซื้อรวงพึ่งด้วยอาการอย่างนั้นคนมานอกก็ถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไม่ให้ด้วยราคาถ้าแม้ข้าพเจ้าได้ส่วนบุญในทานบ้างไซข้าพเจ้าจะให้บุรุษนั้นไปบอกเนื้อความนั้นแก่ชาวเมืองชาวเมืองทราบความที่ศรัทธาของเขามีกำลังจึงรับว่าสาธุ ขอเขาจงเป็นผู้ได้ส่วนบุญชาวเมืองนั้นนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้วถวายข้าวต้มและของเกี้ยวให้คนนำถาดทองคำอย่างใหญ่มาให้บีบรวงพึ่งแล้วแม้กระบอกนมส้มอันมนุษย์นั้นแลนำมาเพื่อต้องการเป็นของกำนันมีอยู่ เขาเทนมส้มแม้นั้นลงในถาดแล้วเคล้ากับน้ำพึ่งนั้นได้ถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธชาติเป็นประมุขเดิมแต่ต้นน้ำพึ่งนั้นทั่วถึงแก่ภิกษุทุกรูปผู้รับเอาจนพอความต้องการได้เหลือเกินไปด้วยซ้ำใครๆไม่กวรคิดว่าน้าพึ่งน้อยอย่างนั้น ถึงแก่ภิกษุมากเพียงนั้นได้อย่างไรจึงอยู่นามพึ่งนั้นทั่วถึงได้ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพพุทธวิสัยไกลๆไม่ควรคิดจึงอยู่เหตสีอย่างอันบรักผู้มีพระพาอเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดใครๆเมื่อไปคิดเหตุเหล่านั้นเข้า ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคนบ้าทีเดียวด้วยประการชนี้บุรุษนั้นทำกรรมประมาณเท่านั้นแล้วในการเป็นที่สุดแห่งอายุบังเกิดในเทวโลกต้องเที่ยวอยู่สิ้นกาลนานประมาณเท่านั้นในสมัยหนึ่งจุติจากเทวโลกบังเกิดในราชตระกูลในกรุงพราราณสี สมัยต่อมาพระชนกได้สวรรคตถึงความเป็นพระราชาแล้วล้าวเธอมีความดำริว่าจะยึดเอาพระนครหนึ่งจึงเสด็จไปล้อมอนครนั้นไว้และส่งส่งสารไปแก่ชาวเมืองว่าจงให้ราชสมบัติหรือให้การยึดชาวเมืองเหล่านั้นต่อว่าจะไม่ให้ทั้งราชสมบัตินั่นแหละ จะไม่ให้ทั้งการยุดหดังนี้แล้วก็ออกไปนำฟืนและน้ำเป็นต้นมาทางประตูเล็กประตูเล็กทำกิจทุกอย่างฝ่ายพระราชาที่ล้อมอยู่นั้นรักษาประตูใหญ่สประตูล้อมพระนครไว้สิ้นเจปียิ่งด้วยเจเดือนและเจวันในการต่อมาพระชนนีของพระราชานั้นตรัส ว่าบุตรของเราทําอะไรทรงสดับเรื่องนั้นว่าทรงทํากรรมชื่อนี้ก็จึงได้ตรัสกับบุตรว่าบุตรของเราโงา่พวกเธอจงไปจงทูลแก่บุตรของเราว่าจงปิดประตูเล็กๆห ล, ลอมพระนครถาวาเธอทรงสดับคําสอนของพระชนนีแล้วก็ได้ทรงทําอย่างนั้น ภายชาเมืองเมื่อไม่ได้ออกไปภายนอกในวันที่7จึงปรงพระชนพระราชาของตนเสียได้ถวายราชสมบัติแก่พระราชานั้นถท้าเธอทรงทำกรรมนี้แล้วในการเป็นที่สิ้นสุดแห่งอายุบังเกิดในอเวจี v G. ไม่แล้วในนรกตราบเท่ามหาปัติปีนี้นะ้าขึ้นได้ประมาณโยอหนึ่ง สติจากอัตภาพนั้นแล้วถือปฏิสนธิในท้องของมารดานั้นนั่นแหละอยู่ภายในท้องสิ้นเจปียิ่งด้วยเจเดือนนอนขวางอยู่ที่ปากช่องกำเนิดสิ้นเจวันเพราะความที่ตนปิดประตูเล็กๆทั้งสพิกษุตรงหลายสิวลีไม่แล้วในนรกสิ้นการประมาณเท่านั้นเพราะกรมที่เตอล้อมพระนคร แล้วยึดเอาในการนั้นหรือปฏิสนธิในท้องของมารดา น, นั้นนั่นแหละอยู่ในท้องสิ้นการประมาณเท่านั้นเพราะความที่เธอปิดประตูเล็กๆทั้งสเป็นผู้ถึงความเป็นผู้มีลาบอันเลิศมียศอันเลิศเพราะความที่เธอถวายน้ํำพึ่งใหม่ด้วยประการอย่างนี้ตอนพวกพิกษุชมเฉยบุญของพระเรวตต ในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าแม้สามเณรผู้เดียวทำเรือนยอด5้าร้อยหลังเพื่อภิกษุ5้ารอรูปมีลาบมีบุญน่าชมจริงประาศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคาอะไรนะอะก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ด้วยถ้อยคำชื่อ น, นี้พระชก้าพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะบุญและบาปทั้งสองของเธอล้าเสียแล้วแต่ได้ตรัสพระคาถานี้ในปรมวักว่าบุคคลใดในโลกนี้ล่วงเครื่องข้องสองอย่างคือบุญและบาป เราเรียกบุคคล น, นั้นผู้ไม่โสปรสาศจากกิเลสเพียงดังทุลีเป็นผู้หมดจดว่าเป็นพรามเรื่องพระคธิระวะนิยะเรวตตเตระ